แนะนำบทอันนัสบทอันนัสเป็นบทมารนียัก์มีสามองค์การที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติอิสลามได้แพร่หลายไปในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้านการตั้งพาธีและการหลงทางให้หมดสิ้นไปด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้ารับนักถือศาสน า, าของอัลลอ์เป็นหมูม่หมูทงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้น ลทัทธิแห่งเจเว็ดและรูปปั้นได้อันตรธานสูญหายไปข่าวการพิชิตนครมักกะได้มีก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนบีอย่างแท้จริงของท่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เมื่อชัยชนะของอัลลอฮฺและพิชิตได้มาถึงแล้วและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอเป็นหมู่ๆดังนั้นจงแท่สองสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้พิบาลของเจ้า และขอพย่โทษต่อพระงองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ